ให้ปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆจะแสดงทําให้ฟังการปฏิบัติธรรมนี่คือการไม่เอาอะไรคาว่าไม่เอาคือไม่ยึดถือไม่ยึดถือว่าอันนี้เป็นของเรา อันนี้เป็นตัวตนของเราไม่ยึดถือเราจะสังเกตได้ว่าเวลาเราพิจารณาเข้าไปจริงๆมันไม่เห็นตัวตนเลยมันหายไปหมดมันว่างไปหมดมันมีตสติรู้อยู่ สังเกตดูมันมีแต่สติอันเดียวเท่านั้นเองสติสมาธิปัญญาพร้อมขึ้นเมื่อไรการบรรลุมรคผลก็ต้องมีขึ้นมาทันทีสติสมาธิปัญญารวมกันเมื่อไรจิตก็เป็นสมาธิมีมากมีผลขึ้นมาทันที มีโซดาปฏิมาคโซดาปฏิผลตกกระแสพรานิผ่านโซตาโซตาแปลว่ากระแสพรานิผ่านคือตกกระแสแต่ยังไม่ถึงกระแสตกไปแล้วเหมือนน้ำฝนตกเนี่ยน้ำในกรุงเทพฝนตกก็ออไหลลงคลองน้ำดำดำ อันดำดำนั่นคือคนยังเป็นปุถุชนอยู่เต็มไปด้วยราคะโทสะโมหะเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่รู้เลยว่าจะไปนระกไปสวรรค์หรือไปที่ไหนที่ไหนส่วนแม่น้ำในแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยพอเรากระแสน้ำดำดำนั่นก็คือคนพอคนปฏิบัติธรรมก็ไหลไป กลงไปแม่น้าเจ้าพะยามันแม่น้าเจ้าพระยาก็ไหลไปเรื่อยจนถึงปากน้ำจังหวดสุพรรณบุ่ะก็ลงสู่ทะเลข อ, อมาขอถ้าได้ชวราวันแล้วต่อไปก็ต้อง ไ, ไ, ได้สกิทาคามีได้สกิทาคามีแล้วก็ต้องได้อนาคามีถ่อไปก็ต้องได้อารหาหันเป็นที่สุด ก็คือตกทะเลไปถึงทะเลหลวงแล้วมีรถเดี่ยวคือรถวิมุตติรถคือรถแห่งความหลุดพ้นก็เหมือนน้ำทะเลนะมีรถเดี่ยวคือเข็มจนเขาเอาทำเกลือได้ว่างัันเตอร์นั่นเนี่ยเราลองพิจารณาที่ว่าตัวเรานี่พอที่จะพ้นจากกองทุกได้ไหมในชาตินี้ ถ้าว่าตั้งใจทาตั้งใจปฏิบัติแล้วจะพ้นทุกได้ไหมได้แน่นอนตอบให้ได้เลยว่าถ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่มีหวังแน่นอนว่าเราจะต้องพ้นจากทุกถ้ายังปฏิบัติอยู่กลับไปแล้วก็ต้องปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติ ฝึกหัดอบรมให้หนักแน่นยิ่งขึ้นอยู่บ้านต้องนั่งสมาธิวันหนึ่งต้องนั่งสมาธิให้ได้ครั้งหนึ่งหรือก่อนนอนก่อนจะนอนต้องเข้าสมาธิได้ยังน้อยสิบนาทีห้านาทีก็เอาทุกวันแต่ว่ามันน้อยไปห้านาทีสิบนาทีมันมต้องเอาสักครึ่งชั่วโมง เอาสักครึ่ง่วโมงนั่งสมาธิสำรวมจิตลงไปใจเราก็เย็นลงไปเสร็จแล้วก็นอนนอนเราก็เป็นสุขแผ่เมตตาแล้วก็ยิ่งดียิ่งเป็นสุขแต่เมตตาคือตรวจ ด, ดูตัวเองว่าโอ้นี่ตัวเรานี่เป็นอย่างนี้มีความเกิดความแก่ความเก็บขึ้นความตายเป็นธรรมดาที่นาาดู ว่าเรานียังมีทางที่จะในพ้นทุกเนาะถ้าเราตั้งใจปฏิบัตินี่เราไม่ต้องไปในโลกแล้วถ้าปฏิบัติเป็นแล้วคือเป็นพระโสดาบันแล้วกไ็ไม่ไปสู่อาบา ย, ยภูมิไม่ไปสู่สภูมิมันต่ำจะมามนุษย์กับสวรรค์เท่านั้นเอง สวรรค์ก็มีสุขกว่ามนุษย์มนุษย์นี่ก็มีสุขอยู่แต่น้อยสุขน้อยนอยสุขนิดหน่อยในลาบได้ยศได้สรรเสริญโย ก, ก็มีสุขอยู่แต่ว่าก็เสื่อมไปเกิดขึ้นก็เสื่อมไปเกิดขึ้นก็เสื่อมไปเป็นงั้นมันได้อยู่แต่ไม่ได้มากแต่สวรรค์มันมากกว่ามนุษย์มันมีแต่ความสุข แต่ก็ยังไม่ถึงพระ น, นิพานพระนิพานมันมีสุขกว่าท่านจึงว่านิพานังประมังสุขังพระนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งคือสุขกว่าสุขมากผู้ปฏิบัติเท่านั้นแหละจะรู้ว่าสุขแค่ไหน เรามาปฏิบัตินี่เราได้แค่ไหนเราคุ้มค่าแค่ไหนสำหรับเราเฉลิลาเวลามาเจ็วันเราปฏิบัติได้ไหมเราทำได้ไหมถ้าเราทำได้นี่เราก็รู้อยู่ในใจของเราว่าเราทำได้ใจเราสบายหรือไม่เราก็รู้ว่าใจเราสบายหรือไม่สบายใจเราสงบหรือไม่สงบเราก็จะรู้ได้ รู้ได้ทันทีอ่ะให้ปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆทุกโอกาสที่เรามีเวลาก็ลองสํารวมใจดูว่ามันสงบไหมถ้าเราไปอยู่ในคาราชีวิตการงานทางบ้านแล้วเรายังเห็นลมหายใจอยู่ไหมก็ลองกำหนดดูปั๊บแต่เห็นอยู่เออแสดงว่าของเรายังมีอยู่ ก็แล้วไปโอกาสอื่นๆถ้าว่างปั๊บก็ลองกำหนดดูอารมหายใจของเรามีอยู่ไหมพอกำหนดแล้วก็จะเห็นจะเห็นว่าโอ้ใจของเราสงบอยู่นี่เรียกว่าเราทำเป็นแล้วเราผ่านแล้วท่านว่าปัจจตังเวทิ ต, ตโพวินยูหีผู้ปฏิบัตินะ่ะยอมรู้เห็นได้ด้วยตนเอง วิญญูชนนะ่ะคือผู้รู้นะ่ะก็จะรู้ด้วยได้ด้วยตนเองว่าเราสงบหรือไม่สงบดีหรือไม่ดีสบายหรือไม่สบายมีความสุขหรือไม่มีความสุขเราจะเห็นเองคนเนื้อที่บายก็ไม่ไม่เหมือนเราเห็นด้วยตัวของเราเองถ้าเราเห็นด้วยตัวของเราเองแล้วก็เห็นว่าโอ้มันมีความสุขอย่างนี้มันมีความสบายอย่างนี้มันไม่กังวล มันไม่ว่นวายให้ปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆอย่าถอยพราะเราได้แล้วเราได้ความสงบแล้วเราก็ต้องปฏิบัติให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆส่วนการันรล้นันมันรู้ของมันเองหรอกเรามันได้ไปตกแต่งให้มันให้มันบรรลุหรอกเราตกแต่งแต่ลมหายใจหรือสติสมาธิปัญญาของเราเท่านี้แหละ เราตกแต่งเท่านี้สติของเราก็มีอยู่สมาธิของเราก็มีอยู่ปัญญาของเราก็มีอยู่เราจะเป็นอย่างนี้เราก็จะเห็นอยู่อย่างนี้เราภาวนาไปกิจเราก็จะเย็นสบายสงบชุ่มเย็นหน้าตาผอ่องใสจิตใจก็เบิกบานแจ่มใสเคยดุเคยว่าก็ไม่ดุไม่ว่าเคยบน่นเคยอะไรก็ไม่อยากบน่นเพราะจิตใจมันดี ถ้าไปบ่นให้ลูกให้หลานเขาเป็นโทษเขาก็จะเป็นอย่างที่เราว่าเนี่ยถ้าไปว่าเออคนนี้คนชั่วคนนี้เป็นคนชั่วจิตใจเขาก็จะค่อยเศร้าหมองลงไปเพราะอำนาจจิตของผู้ที่ได้บรรลุมรคนี่มันมีพลังมากเอาไปว่าไม่ดีให้เขาเขาก็ไม่ดีทันทีเลยเพราชั่วก็ชั่วเลยเป็นงน้น ต้องระวังคนที่ไหนแล้วต้องระวังไม่ไปด่าไปว่าใครไม่ไปตำหนิเตียนใครไม่ไปใส่ร้ายป้ายสีใครไม่ดูถูกพระสงฆ์ไม่ดูถูกพระธรรมไม่ดูถูกพระพุทธเจ้าจิตใจหนักแน่นมั่นคงในคุณพระน้าใจคือพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาชาตินี้เรามีโชคดีเราได้ไปปฏิบัติเรามาปฏิบัติจิตใจของเราก็ ชุ่มเย็นเห็นอาจเห็นทำมา น, นี่มันได้ทุกคนนะ่ะถ้าตั้งใจปฏิบัติแต่ถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัติมันก็ไม่ได้ให้ตั้งใจปฏิบัติให้ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆให้ปฏิบัติอยู่ต่อไปอยากง่ายขนาดนี้นก็ตามให้อดโทษเราดีกว่าเราไปตกนรกให้เราได้ไปสวรรค์ได้ไปพรมวโลกได้ ไปพระนีพผ่านเนี่ยมันดีที่สุดแล้ว้ามันไปได้มันไปได้ไหมได้ถ้าหากว่าตั้งใจปฏิบัติถ้าตั้งใจตั้งแต่ปีนี้ไปจนตลอดอีกสิบปียี่สิบปีนี้จิตใจเราจะสูงส่งมากเลยจะดีขึ้นมากเลยจะเจริญขึ้นมากเลยจะไม่ธรรมดาอย่างนี้มันจะมีสุขขึ้นไปกว่า น, นี้อีกมันจะเห็นใจของเราตัวของตนเอง ใจก็จะชุ่มเย็นอยู่ตลอดเวลาไม่วุ่นวี่วุ่นวายไม่กระสับกระส่ายไม่ทุกข์ไม่ทรมานไ ม, ไม่ตกกลางวนมันจะเป็นอย่างนั้นน่ะเป็นพระเป็นสงฆ์เหมือนกันถ้าตั้งใจปฏิบัติทั้งทั้งใจ ท, ทำตามถ้าเข้าใจในวิธีปฏิบัติแล้วมันก็หลุดพ้นไปได้เหมือนกันมันไม่ได้กำหนดแว่าจะโยมหรือพระใครปฏิบัติตามคนนั้นก็ได้ผลหมด สวาขาโ ต, รตามโมพระกวตาธรมโมพระธรรมของพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วคือตัดไว้ดีแล้วเราทําตามก็ต้องดีตามที่พุทธเจ้าสอนเราไม่ต้องไปกัวงวลเรบคนอื่นหรอกให้ดูที่ตัวของเราว่าเราสามารถกําหนดความหักกิจให้เราอกิจของเราให้เป็นสมาธิได้ไหมเรามีวิธีไหมว่าจะเอาวิธีไหนที่มาปฏิบัติให้กิจของเราสงบลงได้นั่นแหละคือวิธีที่ ถูกต้องล่ะวิธีปฏิบัติมันมีทั้งสี่สิบวิธีเนอนะแยกย่อยออกไปเป็นร้อยเป็นพันพัวิธีแต่ เ, เราเอาเอาวิธีเดียวคือลมหายใจเข้าออกเราก็มาดูลมหายใจเข้าออกอยู่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก่อนจะได้ตรัสรู้ก็พยายามกําหนดดูลมหายใจเข้าออกนี่คอยดูลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเราเป็นพระเราก็ต้องดูลมหายใจเข้าหายใจออกตามที่พระพุทธเจ้าเคยสอนไว้ เราลองดูสิว่าลมหายใจของเราจะอยู่กับสติของเราจะอยู่กับลมไหมถ้าสติไม่อยู่กับล ม, มนี่พยายามที่จะทําให้มันมีสติอยู่กับลมให้ได้คอยดูไม่ต้องการอกอย่างอื่นหรอกไม่ต้องการมารู้มาร์คนั้นนั่นนี่อย่าพึ่งไปคิดไปเอาแต่ว่าเราอยู่กับลมหายใจได้ไหมสติของเรากับลมหายใจมันไปด้วยกันไหม ปัญญาของเราที่จะขับขับขับขับขับค้องจิตใจของเราให้อยู่กับลมหายใจนี่เรามีไหมเท่าเนี้เราก็สามารถปฏิบัติได้แล้วเราคอยดูคอยดูลมหายใจนะคอยดูลมหายใจเข้าออกนะมีเท่านี้แหละวิธีปฏิบัติไม่มากหรอกอย่างปฏิบัตินาปานสติก็คอยกำหนดรู เราหายใจเข้าหายใจออกเรื่อยๆหัดดูแค่นี้แหละมันเป็นไปของมันเองมักโคตมันก็เป็นไปของมันเองความสาเร็จหรือไม่สาเร็จก็เป็นไปของมันเองเพราะอะไรเพราะาเราทำถูกวิธีถ้าทำถูกแล้วก็ไปถูกอื ม, มอรถมันมีถนนไปมันก็ไปได้ถ้าไม่มีถนนมันก็ไปไม่ได้บูกป่าบุกลงไปไม่ได้ไม่ใช่รถแท็กอร์อืม รถธรรมดารถยนเนยมันก็ไปตามถนนทางคนปฏิบัติก็เหมือนกันก็มีมารกวิธีหรือวิธีปฏิบัติเฉพาะของตัวเองอยู่ถ้าเรากําหนดลมหายใจเข้าออกเราก็คอยกําหนดลมหายใจเข้าออกอย่างนั้นนะคอยเรื่อยเดินไปก็สังเกตดูนั่งอยู่ก็สังเกตดูนอนอยู่ก็สังเกตดูถ้ายังไม่หลับนี่คอยไปอย่างนี้ทําไปอย่างนี้มันก็ไปเรื่อยๆเข้ามันไหมปฏิบัติมันก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆ ทำไปเรื่อยๆตลอดชีวิตตลอดอายุของเรานี่แหละเรามีชีวิตยอยู่เท่าไหร่ก็ปฏิบัติไปเท่านั้นปฏิบัติให้เต็มเลยเต็มตามความสามารถของเราตามตามตามโอกาสของเราให้ทำเต็มตามโอกาสของเราอ่คิดว่าเราบุญน้อยวาสนาน้อยเราไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุมากคนเราโอ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นเลย ถ้าคิดอย่างนั้นมันคิดผิดแล้วมันเป็นมีจรารณิติแล้วความเห็นผิดแล้วบุญถ้าไม่มีบุญนะไม่ได้เกิดมาเป็นคนหรอกคนเราน่ะถ้าไม่มีบุญนะไม่ได้เกิดมาเป็นคนอมันไม่ได้มาเป็นคนหรอกมันเป็นอย่างอื่นไปที่เราได้มาเกิดเป็นคนแสดงว่าเรามีบุญเนี่ยเมื่อเราได้ ตัวเป็นคนแล้วนี่เราตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามความสงค์พระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุมรคนส่วนสัตว์ดิลสานท่านว่าอาภัพสัตว์สัตว์ที่มีอาความอาภัพไม่สามารถบรรลุมรคนได้เมต่พญานาค ก, ก็ไม่สามารถบรรลุมรคนได้หมูหมากาไก่ไม่บรรลุมรคนไม่ได้อมีอยู่เยอะไก่ป่าเต็มวัดเลยมันไม่บรรลุมรคนหรอก มันอยู่ที่นี่มันพระไปบินฑบาตมันก็ใส่บาตรไม่เป็นทับบุญไม่เ็นสร้างกุศลไม่เพนมันมีหาอยู่หากินทั้งวัดของมันนะก็เท่านั้นเองเที่ยวาอาภัพถึงไม่จะได้ฟังเช่นอย่างข้างคาวที่ว่าฟังพระสารีบุตรสวรดมนต์นะแต่แน่ดีชาตินะท่านเป็นพระก้ก็ท่านก็สวดมนต์สวดมนต์สวดอะไรข้างคาวอยู่ในทัพเละ ฟังแล้วชื่นใจมากเคิื่อนไปตามเรวก็ตกลงมาตายบททุกตัวเอาไปเกิดในสวรรค์นัน่นเท่านั้นแหละอันแค่แค่แครับทำใจให้สบายกับทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็ยังได้ไปสวรรค์นเนี่ยก็ได้เท่านั้นแต่มกักผลไม่ได้มากผลไม่ได้แต่มนุษย์เรานี่ยได้ในมด ถ้าตัง้งใจปฏิวัติได้แน่นอนไม่เหลือวิสัยของความพยายามของมนุษย์ว่ายเมเะมีเถวาปุธิโสเป็นคนเนี่ยต้องพยายามล่าไปเกิดมาเป็นคนเราต้องพยายามล่าไปในการทำความดีต้องพยายามล่าไปอย่าถอยต้องทำให้ตลอดรอดฝั่งให้สมกับเรามาทนทุกข์ทรมาน หรือว่ามาทำอยู่ทั้งเจ็ดวันแปดวันภาคบ้านภาคเดือนมาหรือไปมดทางบ้านไม่คิดไม่ถึงเลยคิดถึงแต่ว่าเราทำยังไงเนาะใจของเราจึงจะสงบเนี่ยเท่านี้เราก็ยังมีมากมีผลมีคุณธรรมขึ้นมาในใจก็รู้เห็นด้วยตัวของตัวเองอยู่แล้วว่าเราได้หรือไม่ได้เรารู้หรือไม่รู้เราเป็นหรือไม่เป็นถึงไม่จะไม่พยากรเราก็รู้ของเราเอง แต่พยากรณ์ก็เป็นความมั่นใจขึ้นไปอีกที่หนึ่งแต่นี่มันก็ไม่ได้พยากรไม่ได้พยากรณ์คนนั้นได้สวดาบานคนนี้ได้พระสกิทาคามีนากามีไม่ได้ไ ป, ไปพยากรณให้ทําเอาปฏิบัติเอาก็รู้เอาเห็นเอาหาศกอง์เจ้าเหมือนกันที่มาปฏิบัติด้วยเนี่ยก็ให้พิจารณาว่าเราจับจุดในการปฏิบัติได้ไหม ถ้าจับไม่ได้ก็พยายามดูลมหายใจเข้าออกให้มันลึกลงไปลงไปในท้องนั่นเอกจากท้องก็ขึ้นมาจมูกไหลขึ้นไหลลงอยู่นี้แหละนานเข้ามันก็สงบเองเพราะเราไม่เคยทํานานมาแล้วเราปล่อยใจให้ละเลืองไปตามโลกตามสศกสานอยู่นานแสนนานอืกว่าเราเจะมาปฏิบัตินี่มันก็เป็นเครื่องยากเหมือนกัน แต่ก็มีสิทธิ์ที่จะได้พระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่อ้าวพระพัสต菩์เป็นมนุษย์นี่มีสามารถมีความสามารถที่จะได้บรรลุมรรคผลเทพเทวดาก็เหมือนกันเทพเทวดาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับบรรลุมรรคผลไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวมนุษย์เทวดาอินพรอมมีสิทธิ์ได้บรรลุมรรคผลทุกคนทุกท่านทุกองค์อืมท่านแ่ะถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วได้ผลเลย ได้แล้วมันดีไหมมันก็ประเสริฐแหละในชีวิตนี่เรียกว่าอริยะอริยะบุคคลเรียกว่าบุคคลประเสริฐบุคคลดีบุคคลที่สูงส่งเรียกว่าอริยะขอมีสิทธ์ได้มรรคได้ผลเหมือนกันทุกคนขอให้ตั้งใจปฏิบัติไปเรื่อย จะถอยให้มีความพยายามมีความอดมทนเราเคยต่อสู้มาแล้วกับหลายๆเรื่องหลายอย่างทีนี้เราต่อสู้กับการชาระจิตของเราออกจากกิเลสนี่เราจะทำได้ไหมอันนี้เราสำคัญขอให้ตั้งใจทำทำให้มันได้ทำให้มันเป็นทำให้มันถึงทำให้มันตลอดรอดฝั่ง เทศการ น, นี้เรียกว่าให้ทำไปเรื่อยๆให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติอย่าท้อยอย่าถอยอย่าหยุดเอาชีวิตประเดิมพันต้องมีหวังแน่นอนต้องได้มากผลแน่นอนพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ได้มากผลไม่ได้ห้ามไว้ ธรรมานุธรรมปฏิปติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นปฏิบัติพอได้มันต้องได้ปฏิบัติพอถึงมันต้องถึงทำสมควรแก่ธรรมตามราบใดคนที่ปฏิบัติตามอาริยมรมีองค์แปดอยู่โลกนี้จะไม่ว่างจากพาระรหันเลยแน่ถ้าก็พูดไว้อย่างนี้ตัดไว้อย่างนี้ ลองพี่นาดูสิเรามาทําอยู่นี่เราเป็นยังไงใจเราสบายไหมนั่นเราเห็นสบายเห็นแดดสบายขึ้นยกเกยือเย็นขึ้นมีสุขขึ้นในใจอืให้ตั้งใจปฏิบัติเดี๋ยอีกวันสองวันเราก็เลิกแล้วก็ได้กลับบ้านแล้วไม่ต้องคิดถึงเพราะทุกอย่างมันดีอยู่แล้ว เรามาทางดีเรามาทางถูกแล้วให้ตั้งใจปฏิบัติไปอย่าหมดกำลังใจอย่าหมดอย่าเกิดความสงสัยว่าอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อะไรอย่าไปคิดดูว่าลมหายใจของเราเราเห็นอยู่ตลอดไหมถ้าเราเห็นลมหายใจของเรานั่นแหละเราทำถูกแล้วแต่ถ้าเราไม่เห็นลมหายใจของเราเนี่เรายัางคิดนึกฟุ้งซ่านอยู่นี่มันไม่มันไม่ถูกทางหรอกนะั่น ความคิดฟุ้งซ่านนะมันเป็นกิเลสมันเป็นนิวรณ์มันเป็นเครื่องกลางกั้นที่จะได้บรรลุมรรคผลหรือคุณงามความดีมันเป็นเครื่องกลางกัน้นกลางกัน้นการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิวรณ์ห้าถ้ามีนิวรณ์ห้าแล้วกิจจะไม่เป็นสมาธิเลยการมาฉันทะพยาบาทที่นมิถักอกุจจาอกุจจาพระวิกิกิจฉานะ อุทจาก cia, กุกขดะวิกิกิจชาการมัสันต์และความพอใจในการมเท่านี้แหละเมื่อั้นแล้วขั้นสมาธิแล้วแต่ไปพอใจคำว่าการมในที่นี่ไม่ถึงไม่ใช่ว่ า, าหมายถึงผัวเมียหรือครอบครัวผัวเมียไม่ใช่งัง้นไม่ใช่หมายเพียงแค่นั้นมันหมายความว่าความเป็นใหญ่ความมีเกียรติมีชื่อเสียงมีหน้ามีตามีคนนับถืออะไรต่างๆเหล่านี้ เขาเรียกว่ากามเหมือนกันวัตถุกรรมคือสิ่งของมีกองพลทัพกองทัพกองพลกองพลลบมากมายเราอยู่เป็นใหญ่เราก็อย่าไปคิดอย่าไปคิดถึงว่าโอ้นี่เป็นดีความดีของเราอันนี้เป็นโชคของเราอันนี้เป็นลาภของเราเพราะว่าวัตถุกามก็ดีกิเลสกรรมก็ดีมันทำให้ใจเราตกต่ำ ทำใจของเราให้เสื่อมถอยทำใจของเราให้หมดค่าหมดราคาลงไปไม่สูงส่งอย่าไปติดวัตถุกามก็ดีกิเลสกามก็ดีอย่าไปติ ด, ต ด, ด, ด, อ, ยตดอย่าให้ใจเราไปติดไปคล้องอยู่ให้พยายามแยกออกจากกันเข้าสมาธิได้ปั๊บถึงปฐมฌานราคานี สงบไปเลยหมดกำลังสมาธิหมดกำลังช า, ข น, า น, น, นขึ้นมาอีกมันเกิดขึ้นมาอีกแต่ถ้าพอได้บรรลุมรรคผลมันไม่กลับกลับเลิกมันไม่เป็นอย่างนั้ น, นเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าถอยอย่าหมดกำลังใจว่าเรานี่ทำถูกหรือไม่ถูก คิดว่าเรารู้ลมหายใจเข้าได้ไหมล่ะถ้าเรารู้ได้ก็นั่นแหละถูกแล้วถ้าเราไม่สามารถกาหนดรู้ลมได้เลยอันนั้นไม่ถูกพอย้ำเตือนให้รู้ว่าการที่เราสามารถกาหนดรู้ลมได้นั่นแหละถูกแล้วแต่ต้องทำให้ติดต่อไปเรื่อยๆหาโอกาสทำเรื่อยๆคนเรามีอยู่หรอกโอกาสนั้นน่ะ นั่งว่างๆอยู่ลองกำหนดดูลมสินั่นแต่มาปฏิบัติอย่างนี้ก็ดูลมอยู่เรื่อยๆติดต่อกันแต่เป็นคารวะอาจจะทําไม่ได้อย่างนี้ยในครอบครัวแต่มันโอกาสที่จะทําอย่างนี้มันไม่ค่อยมีอแล้วก็คอยหาเอาหาโอกาสเอาลองกําหนดดูลมดูหรือนั่งสมาธิดูเรื่อยๆนี่แหละก็จะเกิด ได้แนวทางการปฏิบัติให้ดีขึ้นไปอีกก็สามารถที่จะอยู่ในโลกเหมือนลิ้นงูในปากงูไม่กระทบกระเทือนกับใครไม่กทบกระเทือนกับอะไรใจเย็นสบายมีสุขด้วย น, น, นั่นแหละคือปฏิบัติถึงธรรมของพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติไปไเรื่อยๆก็แล้วกัน